พันสภาพจิตของเขาเป็นจิตที่เป็นไปกับอุทธจัจฉ์ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเมื่อมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมันดิ่งมากขึ้นไปส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งอันชีวิตก็จะวนอยู่อย่างนี้จากมนุษย์สู่อาบายจากมนุษย์สู่นรกจากนรกสู่นรกคำว่าจากนรกสู่นรกนั้นข้อความในเทวทูตสูตร นะหรือในอีกหลายสูตรที่กล่าวถึงว่าตั้งแต่ชีวิตไปลงในนรกเสร็จแล้วนะมันจะวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่สิ้นสุดถ้าบาปกรรมไม่หมดถ้าพ้นมาจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าบอกว่านรกเปรตอสุรกายแหมมันไกลตัวเกินไปเราก็สังเกตดูว่าเดรัจฉานเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ไปจากมิจฉาทิฐิเป็นต้น ที่ทําให้ไปเกิดเป็นนกเป็นหมูเป็นปูเป็นปลวกเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหอยที่เป็นสัตว์มากมายมหาศาลเหล่านี้ไปจากไหนก็ไปจากมิจฉาทิฐิเหล่านี้เองมิจฉาทิฐิเหล่านี้ก็มาจากไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในพระตถาคตคําว่าพระตถาคตนี้แปลว่าผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นคําว่าพระตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างไร ก็คือมาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านมาอย่างไรพระผู้มีพระภาคของเราทุกวันนี้ก็มาอย่างนั้นเหมือนกันมาด้วยอะไรมาด้วยมูลปณิทานมาด้วยความปรารถนาะมาด้วยอภินิหารมาด้วยการบำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบทัศนมาด้วยมหาบริจาคทั้งห้ามาด้วยการประพฤติจริยาทั้งสามจึงได้เป็นพระตถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เสด็จไปอย่างนั้นก็คือไปด้วยการละกิเลสละบาปรธรรมละอกุศลทั้งหมดอั้นท่าตถาคตคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาก็ประโยชน์ในชีวิตของเขาก็เสียหายไปเรียกว่าคนตาบอดที่ปฏิเสธคนชี้ทางอั้นท่าตถาคตนี้ก็คือคนตาดีคนที่มองเห็นทางพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชํานาญในคติทั้งห้า เป็นผู้รู้จักคติคติที่หนึ่งเรียกว่านิรยะคติและข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่นิรยะคติพระพุทธเจ้ามองออกสองก็เปรตคตินะปิติคติเนี่ยคติคือเปรตพร้อมทั้งปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกแห่งความเป็นเปรตและก็ติระชานคติคติคือกำเนิดสัตว์ยระชานพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่เดระฉานมนุษยคติ ความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าที่มาเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ยมาด้วยกรรมอะไรมาด้วยบุญอะไรปฏิปทาเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้และทรงแสดงด้วยและเทวคติเทวคติตั้งแต่คติในชั้นกามาวจรเทวคติเนี่ยเป็นชั้นกามาวจรเป็นรูปาวจรและก็เป็นอรูปาวจรเทวคติเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้อย่างแน่นอน อันพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้พระองค์นี้เป็นเหมือนกับผู้ชี้ทางและพระองค์ทรงรู้ข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเพื่อสิน้นคติเพื่อหมดที่ไป <c oughs> คืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยพระองค์ทรงรู้ทางเหล่านี้ทั้งหมดเลยทั้งหกสายครัผู้รวมรวมเนะทั้งหกสายสายไปนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดานะเทวดาชั้นกามาวจ ร, รูปาวจรและอรูปาวจรสุดท้าย ข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นคติสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอุบัติสิ้นจุติสิ้นปฏิสนธิคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอันถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ตาบอดไม่ทราบว่าเราท่านทั้งหลายกล้า ย, ยอมรับขนาดไหนว่าเราตาบอดอที่ถามอย่างงี้ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรถามว่าลืมตามองเห็นอริยสัจไหมหูได้ยินแต่เสียงหรือว่าได้ยินอริยสัจด้วย ถ้าหากว่าไม่มีความรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้จริงๆก็ก็ถือว่าบอดก็ต้องดูว่าบอดในสายตาใครอ่ะนะสายตาเราเองก็บอกโอ้ oh, ตาดีน่าดูเลยนะมองเห็นไกลน่าดูเลยคนนี้ไม่ต้องใช้แว่นตาอันนี้ก็ชื่อว่าไม่บอดใช่ไหมแต่ไอ้บอดอย่างนี้ไม่ได้ชื่อว่าตาดีจริงๆถ้าตาดีจริงๆก็สามารถมองเห็นอริยธรรมมองเห็นอริยธรรมหรือธรรมะที่ทําให้เป็นพระอริยะ ธรรมะที่ทําให้เป็นพระอริยก็คืออริยสัจถ้ามองไม่เห็นก็คนตาบอดเมื่อตาบอดอย่างนี้มองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นทุกขอริยสัจมองไม่เห็นสมุทัยอริยสัจมองไม่เห็นนิโรธอริยสัจมองไม่เห็นทุกขานิโรธท่ามินีปฏิปทาอริยสัจชีวิตก็ขึ้นขึ้นลงลงจิตเป็นบุญบาเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างแต่สรุปแล้วก็คือทุกขสัจกับสมุทัยสัจ ันทุกขสัตย์บางอย่างต้องไม่ลืมว่าเป็นกุศลก็มีทุกข์สัตย์บางอย่างเป็นอกุศลก็มีทุกข์สัตย์บางอย่างก็เป็นอภพยากตะธรรมมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่อย่างนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะนี้นี่แหละเ<ละ>มื่อเป็นไปในลักษณะนี้นั้นเรามาศึกษาพระพุทธคุณคือผู้ที่ชี้ทางชีวิตเหล่านี้ชี้ทางชีวิตชี้ข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภพนั้นๆ ชี้ข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ผู้ที่มีศรัทธาในลักษณะนี้เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธามีศรัทธาในผู้ชี้ทางให้ผู้ชี้มักผู้ชี้ปฏิปทาให้แต่ว่าในการที่เราจะมีศรัทธาอย่างนี้เนี่ยศรัทธานั้นน่ะอาหารของศรัทธาก็คือนะที่จะหล่อเลี้ยงศรัทธาให้เจริญเติบโตมากขึ้นก็ต้องความรู้ในเรื่องของพระพุทธคุณ ที่จะเพาะเลี้ยงศรัท ธ, ธาให้มากๆขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลในเรื่องพุทธคุณอ่อนศรัทธาอันนี้ตั้งมั่นไม่ยาวการฟังก็เหมือนกับการราดรดน้ําหล่อเลี้ยงต้นศรัท ธ, ธาของเราดังนั้นการฟังเรื่องพุทธคุณนั้นถ้าหากว่าเราฟังแล้วทรงจําไว้ได้แล้วสามารถที่จะศึกษาได้อย่างต่อเนื่องศรัท ธ, ธาของเราก็จะยาวมากขึ้นซึ่งจะขอยกข้อความที่กล่าวถึงพุทธคุณ กล่าวถึงการตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคืออย่าลืมว่าการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ๆคนก็จะก้าวเดินไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาจากความปรารถนาเป็นต้นจากข้อความในอัตถกถาคควิสานสูตรคำภีสุตตานิบาตฉบับเก้าสิบเอ็ดเล่มนี้ก็อยู่เล่มที่ สี่สิบหกหน้าหนึ่งร้อยสี่กล่าวว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานุ์ผู้มีอายุไปในที่ลับก็คือพระสมัยก่อนเนี่ยท่านชอบที่สงบที่สงัดสถานที่วิเวกพอไปอยู่ในที่วิเวกกายก็สงัดเมื่อกายสงัดใจก็สงัดเป็นต้นพอสงัดเหล่านั้นแล้วท่านก็เลยเกิด วิตกขึ้นปริวิตกอันนี้ก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นเองสัมมาสังกัปปะคือวิตกของท่านคิดอย่างนี้ว่าความปรารถนาและอภินิหารเนี่ยย่อมปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตั้งความปรารถนาอย่างไรไปอย่างไรมายัางไงในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องราวปรากฏแล้วแต่หาปรากฏ แก่ภาษาวกทั้งหลายแก่พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าเอ๊ะพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาอย่างไรพระสาวก ค, คือภาษารีบุตรเป็นต้นเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาอย่างไรฉะนันเนเราจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือคิดสงสัยขึ้นแต่ว่าสงสัยอย่างนี้ไม่ใช่วิจิกิจฉาในพุทธคุณนะสงสัยอันนี้ไม่ใช่สงสัยที่เป็นบาปเป็นอกุศล แต่เป็นธรรมะฉันทะใครจะรู้ทีนี้เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลเรื่องราวให้ฟังโดยลําดับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสปุพโยคาวาจรสูตรแก่ท่ทานพระอนุณคาว่าบุพโยควจรเนี่ยนะก็คือโยคาวาจรโยคาวาจรก็คือผู้ท่องเที่ยวไปในการประกอบสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานบุพะนี่ก็คือแต่ก่อน ผู้ที่อบรมสมถวิปัสนามาแต่ก่อนนะสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่มีบุญเก่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาแต่ก่อนเนี่ยจะมีอานิสงส์ห้าคนที่มีบุญเก่าปฏิบัติธรรมไว้เป็นอย่างดีเนี่ยอานิสงส์ห้าคือบุคคลย่อมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมในเพราะปุพพโยคาวจรก่อนทีเดียวเนี่ยข้อต้นนะคนที่ ประกอบไปในการบําเพ็ญสมถะและวิปัสสนาสา ม, มารถที่จะบรรลุอรหัตผลในชาตินี้ได้นะถ้าสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นยุคคนธรรมเป็นธรรมคู่สมังคีเมื่อไหร่บรรลุอริยผลเมื่อ น, นั้นบรรลุอรหัตผลเมื่อ น, นั้นคําว่าสมถะนั้นเป็นชื่อของสัมมาอะไรบ้างสมถะเป็นชื่อของสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าจะเอาอารหัตผลสูงสุดเลยนะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาได้แก่อะไรได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะคนที่จะปฏิบัติตามนั้นได้ศีลต้องบริบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติสมถาวิปัสนาตามคําสอนได้อย่างถูกต้องยาวนานสา ม, มารถที่จะบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมได้ก็อย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมที่พระองค์กล่าวว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นอยู่ใน สติปัฏฐานเนี่ยนะสามารถที่จะบรรลุอรหัตผลภายในเจ็ดปีถ้าไม่เป็นท้ารหันก็จะเป็นพระอนาคามีก็ลดมาจนถึงเจ็ดวันเป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้าหากว่ามีคุณธรรมสูงจริงๆเนี่ยพระองค์สอนเชา้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเช้าถ้าหากว่ามีคุณสมบัติขนาดนั้นแต่ว่าองค์คุณต้องเพียงพอนะถ้าองค์คุณไม่เพียงพอก็อย่างว่าหลายปีต่อให ดันั้นคนที่ปฏิบัติถูกต้องมีบุญเก่าเนี่ยนะสามารถที่จะบรรลุในปัจจุบันได้เลยถ้าไม่บรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเห็นเห็นกันอยู่นี้ต่อมาก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตในเวลาใกล้าตายนะใกล้จะตายนี่ก็ยังได้ดีเลยนะแต่ขากับเป็นพระอรหันต์ชีวิ ส, มสัมภิสีติดับกิเลสพุทปจเวกขณะยานเกิดขึ้นจุติเลยตายเลยอย่างเงี้ยเรียกว่า บรรลุเป็นพระอรหันในเวลาใกล้ได้มีหลายท่านนะอย่างอย่างพระองค์หนึ่งเนี่ยตายในปากเสือก็อมีว่า้นบางคนเนี่ยถูกห อ, อกเนี่ยทิ่มแทงเนี่ยนะใกล้จะสิ้นใจแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันก็มีทัานคนที่ปฏิบัติธรรมในชั้นอุกฤษสามารถที่จะบรรลุใกล้ที่จะสิ้นชีวิตได้มีหลายท่านนะใกล้จะสิ้นชีวิตก็เป็นพระอรหันเลยพระเจ้าสุโธทนะนี้ก็ใกล้จะสิ้นชีวิตก็เป็นพระอรหัน เอาถ้าต่อมาเกิดใกล้จะตายไม่บรรลุอ่ะเป็นเทวบุตรเป็นเทพบุตรก็จะบรรลุอรหัตผลไม่ได้บรรลุใกล้ตายก็ไม่เป็นไรเป็นเทวดาก็บรรลุได้ว่า ง, งั้นโน่นไปบรรลุที่สวรรค์ก็ได้หรือที่พรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้บางทีพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์บอกว่าเหมือนกับพ่อค้าผู้ฉลาดก็จะเสนอว่าโอ้โหสินค้าตัวนี้นะมันใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างมันดียังไงบ้างก่อนอะยังไม่บอกไอทีว่ามันคืออะไร บางทีก็ลักษณะนั้นนะสูตรตรงนี้ก็ในยะเดียวกันทีนี้ต่อไปนะถ้าไม่บรรลุตอนนี้ก็จะไปบรรลุตอนเป็นเทพปบุตรเป็นเท พ, พบุตรก็คือเป็นทั้งเทวดาและเป็นพรหมนั่นเองต่อมาถ้าเป็นเท พ, พบุตรก็ไม่ได้บรรลุตายจากสวรรค์หรือตายจากพรหมมโลกก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นขิปนาิญญาบุคคลในเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย คือถ้าหากว่ามาเกิดทันสมัยในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ง่ายๆเหมือนกับพระพาหิยะทารุเจริยะจะง่ายๆอย่างงี้นะคนมีบุญเก่าเนี่เจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมนิดๆหน่อยๆก็บรรลุแล้วอันนี้ก็เป็นผลของคนที่ปฏิบัติมาแต่ก่อนอย่างดีก็คือแล้วแต่อานุภาพ่ะปฏิบัติไว้เมื่อชาติปางก่อนเนี่ยดีขนาดไหนก็สมมุตินะเรามาฟังธรรมวันนี้นะ ใครจะฟังธรรมะยากฟังง่ายนะครับคนเรียนมานานแล้วฟังวันนี้อู้เบาที่สุดเลยนะแต่เพิ่งโหมาเพิ่งมาวันนี้เนี่ยเอออาจารย์ท่านพูดอะไรของท่านนอะยังลําดับเรื่องราวไม่ถูกไอ้ท่านจะพาเราไปไหนท่านพูดอะไรเนี่ยแต่ถ้าคนเรียนมาหลา ย, ลายปีแล้วเนี่ยโอ้สบายเลยนะหลับมาตื่นหนึ่งยังคุยฟังฟังทันต่อเลยว่าเขากําลังพูดอะไรไปถึงไหนจริงจริงเนะ่ยยม เขาหามหัวหามท้ายเนี่ยรู้แล้วว่าเรื่องราวจะต้องเป็นไปอย่างนี้ถ้าขึ้นอันนี้ต้องจบอันนั้นเพราะมันมีสูตรอยู่แล้วอัน้นคนที่ศึกษามากๆจะเป็นลักษณะนั้นเอาทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุในพระพุทธศาสนายุคใดยุคหนึ่งต่อมาก็ย่อมเป็นพระปัจเจกภพุทธนะในภายหลังถ้าไม่ได้เป็นสาวกเลยนะไม่ได้บรรลุอย่างที่ว่าเงื่อนไขทั้งสี่ข้อต้นเลยนะหนึ่งไม่บรรลุในชาตินั้นสองใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุสาม เป็นเทพบุตรก็ไม่ได้บรรลุแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมเฉพาะหน้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้บรรลุเกิดในยุคที่ไม่มีพระาศาสนาเกิดในยุคที่ว่างจากพระพุทธาศาสนาก็จะบรรลุเป็นพระปัเจกะสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายหลังเป็นพระประเจกที่ตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ปัจเจกนะปัจเจกก็คือผู้ที่รู้เฉพาะตัวรู้คนเดียวว่างั้นชีวิตของพระประเจกเหล่านั้นท่านจึงเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุด นอแรกไม่มีมิตรไม่มีสหาหิไม่มีลูกมีหลานติดพันทุกอย่างมีลูกฝีติดรอยให้ตามแม่แต่คนเดียวทีนี้พระองค์ก็ตัดต่อไปอีกว่าดูก่อนอนุธรรมดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอภินิหารคําว่าอภินิหารนี้ท่านหมายว่ามูลปณิธานมูลแห่งความปรารถนาไอ้คาว่าอภินิหารเลยอันผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอภินิหารเนี่ยนะมีบุพภโยเข้า ว, วจรธรรมบุพภาก็คือแปลว่า แปลว่าก่อนนะปุพหะแปลว่าก่อนโยคภาพแปลว่าการประกอบอวัจจะะนี่แปลว่าการท่องเที่ยวแต่ทีนี้ถ้าแปลรวมๆก็คือว่าผู้ที่ประกอบในการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนนะปฏิบัติธรรมมามากแล้วเพราะฉะนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้านั้นและสาวกทั้งหลายพึงปราถนาและอภินิหารผู้ที่จะตั้งความปรารถนานั้นจะต้องมีอภินิหารมีองค์ประกอบ มันคล้ายๆกับเราจะสมัครไปเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนะต้องมีองค์ประกอบใช่ไหมองค์ประกอบว่ามีคุณสมบัติพอไหมที่เขาจะรับเข้าโรงเรียนเป็นต้นแล้วตั้งใจจริงหรือเปล่าอันดับต้นก่อนนะองค์ประกอบองค์ประกอบที่จะเข้าโรงเรียนเลยนะหนึ่งตาบอดไหมพิการไหมที่จะมาเข้าโรงเรียนลักษณะนี้นะสติปัญญาพอได้ไหมอะไรไหมสองตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมูลปณิษฐานหรืออภิเิหารนั่นเอง ท่านพระอนุนก็เลยทูลถามต่อไปว่าข่าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยควรนานเท่าไหร่ในนี้มีใครสนใจที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพุทโธโพทยังเราตรัสรู้และจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยสัตว์โลกนี้มันมืดมิดเหลือเกินเราก็ามืดมิดเหลือเกินเดี๋ยวเราสว่างนะจะให้คนอื่นสว่างด้วยเราข้ามจะให้คนอื่นข้ามด้วยนะถ้าใครสนใจแนวความคิดอันนี้ก็มาฟังดูนะ ว่าการปรารธนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ควรนานเท่าไหร่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอ น, นุนความปรารธนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานโดยกําหนดอย่างต่ําที่สุดถึงสี่อสงไขยและแสนกับนะสี่อสงไขยแสนกับอันนี้นี่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างชลาที่สุดเลยนะก็บอกว่ากําหนดอย่างปานกลางแปดอสงไขยและแสนกับการกําหนดอย่างสูงสิบหกอสงไขยและอีกแสนกับ พูดถึงความยาวนานของหนึ่งกับก่อนนะกลับหนึ่งสมมุติว่ามันมีภูเขาหินแท่งทึบที่ว่าเนนะหินแท่งทึบตันสูงสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะกว้างเท่ากันหนาเท่ากันสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะร้อยปีเอาผ้าเนื้อบางๆมาปัดครั้งหนึ่งร้อยปีปัดทีร้อยปีปัดทีเขาบอกว่าเขาเนี่ยมันเตียนก่อนกลับยังไม่หมดเลย กับหนึ่งเนี่ยยาวนานขนาดไหนก็บอกว่ากระดูกของคนคนเดียวนะถ้าไม่เผาไม่ฟังไม่อะไรทักอย่างนะทิ้งทิ้งทง ท, ง ท, งทงใหญ่กว่าภูเขาเวฬภาระบรนพลใหญ่กว่าภูเขาคิจกูดเหมือนกันมากกว่านั้นอะ่ะเลขศูนย์เนี่ยนะเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามห้อยท้ายอีกร้อยสี่สิบตัวอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งอสงไข่กับหนึ่งเนี่ยนะอสงไข่กับมันจะเป็นลักษณะนี้นะอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสมมติว่าเอาหลุมกว้างลึกสิบหกกิโลเมตรเลยนะ คล้ายๆลุ้มขยะกันนะ่ะนะร้อยปีนี่หยอดมเมล็ดพันธุ์ ก, กาดไปเม็ดหนึ่งถักกาดนะไม่ใช่มะพร้าวถักดาศร้อยปีเม็ดหร้รยปีลุ้มเนี่ยเต็มก่อนกลับยังไม่หมดเลยอ่ะนี่นับหนึ่งนะเลขศูนย์มาห้อยท้ายร้อยสี่สิบตัวเรียกว่าหนึ่งอาศงไข 4. สี่อาศงไขแสนกลับนับแต่วันรับพุทธภยากรนะก่อนหน้านั้นไม่คิดอีก วันที่บอกว่าคนนี้เป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เที่ยงที่จะตรัสรู้แล้วเนี่ยนะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเอาคิดอย่างนี้นะถ้าพูดแต่สมัยโลกโลกภาษาบ้านเราทั่วไปเนี่ยจบด็อกเตอร์เนี่ยควรจะกี่ปีดีพวกมัน <จบ S 1> ตั้งแต่อนุบาลไปเลยจนถึงจบด็อกเตอร์เนี่ยกี่ปีจนพอนนะจบด็อกเตอร์เนี่ยยี่สิบปีนะทํางานก็อย่างว่านะนก็ไม่ได้ทํางานระดับโลกอะไรนะทางานระดับชีวิตธรรมนาทั่วไปนะ อ่ยี่สิบปีหาประสบะการณ์อีกต่างหากนะไ ม, ไม่หาประสบะการณ์อะไรอีกต่างหากนะมันจะมาจบแล้วเป็นหมดเลยหะประสบะการณ์หาความชนานาญหาอะไรอีกตั้งมากมายมหาศาลอันนี้นี่ธรรมดาเฉพาะชีวิตในโลกเนี่ยนะแต่ถ้าจะเป็นศาสดาเป็นอาจารย์สอนโลกอะ่ะเป็นอาจารย์ระดับโลกเนี่ยนะไม่ได้สอนพวกเราอย่างเดียวนี่ใช่ไหมนะสอนคนทั้งโลกด้วยแล้วไม่ใช่สอนในยุคเดียวนะ ยุคซึ่งมันสืบเนื่องกันเป็นพันๆปีอ่ะหลายพันปีอ่ะนะวิชาของท่านเนี่ยสอนไว้ในโลกเป็นพันๆปีแล้วในเทวดาอีกหลายแสนปีอ่ะหลายล้านปีอ่ะคําสอนของท่านประดิษฐานอยู่ในนั้นอีกยาวนานมากมายมหาศาลคิดดูว่าแต่ต้องใช้เวลาเรียนนานขนาดไหนอันนี้ก็เหมือนกันแล้วในช่วงที่เรียนนี่ยก็อย่างว่านะผู้การเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่ากว่าจะสําเร็จเป็นนายทหารได้มันเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันกว่าจะจบอวิชานั้นขึ้นมาได้นะ ว่าจะมานั่งเทเทหน่อยเนาะยากโขมกันแล้ววิชาที่จะเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นบุรุษอาชาในเพื่อที่จะช่วยหรือขนสัพพสัตให้พ้นจากสังสารทุกนั้นอ่ะสมควรจะยาวนานขนาดไหนอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันซึ่งจะได้ให้เหตุผลต่อไปอันนี้ท่านบอกว่าในสามประเภทนั้นพึงรู้ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาทิฏฐผู้เป็นปัญญาทิฏฐมากด้วยปัญญา ท่านบอกว่าปัญญาที่กะเนี่ยใช้เวลาสี่อสงไขยเศษอีกแสนกัดนะเศษหางๆเลขเฉยแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่กะมีปัญญามน้อยอแต่ว่าศรัทธามากปัญญานี่ไม่ค่อยมากหรอกแต่ว่าศรัทธาเนี่ยจริงๆเลยนะถ้าอย่างนี้เพิ่มมีเท่าตัวเพิ่มมีเท่าตัวจากสี่เป็นแปดนะเศษ ก, ก็เหมือนเดิม เนี่ยตัวเลขหางเนี่ยเนาะของเราเนี่ยถ้าสาวธรรมดาก็เศษเศษอาหารอย่างเดียวพอละหัวไม่ต้องอะแต่ถ้าหากว่าวิทยาที่กะนะศรัท ธ, ธาไม่มากนะปัญญาก็ไม่ถึงกับมากแต่เอาขยันเข้าว่าเรียกว่าเอาเอ า, เอาตัวเข้าถูอย่างเดียวเหมั้นนั้นสู้อย่างเดียวอันนี้เพิ่มมีเข้าตัวเพิ่มมีเท่าตัวของคนมีศรัท ธ, ธานะก็บอกว่าสี่สี่สิบหกเพิ่มอีกสามสี่เท่าของคนมีปัญญา คนมีปัญญาเขาใช้เวลาชั่วโมงเดียวเราปาเข้าไปสี่ชั่วโมงอ่ะมห่างกันมากกว่านะั้นคนที่ขยันอย่างเดียวเลยแต่ไม่ถึงกับฉลาดแต่เอาจริงๆนะไม่เลิกสู้ไม่เลิกเขาบอกว่าพระศรีอาร์เนี่ยนะท่านบําเพ็ญบารมีเนี่ยสิบหกอสงไขยนะสี่เท่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเวลาในการบําเพ็ญนะสี่เท่าแต่ท่านบําเพ็ญบารมีมากด้วยความเพียรพยายามอย่างพระผู้มีพระภาค พ, พนามว่ากัสสปะนะในกลับนี้มีกี่องค์นะ ฮาองนะกะกุสันโทโกโนา ค, มน า, คามโนกัสโปโคตโมและโคตมะองค์พระโคดมเนะี่ยถ้ากัส ป, ปะสัมมาพุทธเจ้านั้นเป็นศรัทธาทิกะ บ, บำเพ็ญบารมีแปดอสงไขยของพระพุทธเจ้าของเรามากด้วยปัญญาเป็นปัญญาที่กะเลยใช้เวลาสี่อสงไขเศษอีกแสนกับตามสมควรแต่ว่าบำเพ็ญด้วยปัญญามากหรือบำเพ็ญด้วยศรัทธามากหรือบำเพ็ญด้วยวิริยะมาก เจตสิกสามตัวนะในการบำเพ็ญบารมีก็ให้ผลแตกต่างกันถปัญญาเจตสิกมากก็เก่งมากหน่อยอันนี้ไม่ใช้เวลาไม่มากนะใช่ไหมถ้าศรัทธาเจตสิกมากก็อันนี้ก็พอได้เพราะเชื่ออย่างเลียวนะแต่ก็แต่ก็น้อยกว่าปัญญาแต่ถ้าขยันอย่างเข้าว่าเนี่ยนะเขบอกว่าเรียนทั้งน้ําตาเนี่ยนะสู้ไปเข้าใจก็ไม่เข้าใจแล้วก็สู้ไปไม่เลิกสักทีจบเหมือนกันแต่ว่าช้านิดหนึ่งถ้าโพูดแบบ สํานวนพระสมัยเราข้กว่านี่ก็คือพระบางองค์เนี่ยนะท่านบวช ด, ด้วยกิเลส ท, ที่แรงกล้านะคือบวช ด, ด้วยอนะํานาจกิเลส ท, ที่มีกําลังพอสมควรเนี่ยนะเช่นบวชแล้วคิดถึงแต่คนที่บ้านนะบวชไปก็ น, นอนน้ําตาไหลไปนะคิดถึงเอ้าพอเดินตัวขึ้นมาเอาเฮ้ยนี่มันพระแล้วนะมาคิดเรื่องอย่างนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ก็อยู่อย่างเงี้ย น, นะก็บอกว่าพระที่มีกิเลสมีกําลังก็จะเป็นลักษณะนั้นเขาบอาประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ําตาว่ากั้น แต่ก็สู้ไม่สึกนะสู้ไปอย่างนั้นกัดฟันสู้แต่บางทีเนี่ยได้ยินเสียงเพลงเขาร้องรําทําเพลงสนุกสนานเคลื้นเครงอยู่เฮ้ เ, เรานี่มันช่างอาพับหาความสุขกับเขาไม่ได้เลยเนาะทําเบญทํากรรมอะไรมาเนาะจึงมานั่งไว้นั่งเหงานั่งเศร้านั่งซึมอยู่คนเดียวอย่างนี้กุศลก็ไม่ค่อยเกิดไอเขาคนอื่นเขาก็สนุกไอตัวเองทุกข์อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุกข์ขาปฏิปทาปฏิบัติธรรมทั้งน้ําตาบางองค์เนี่ยกิเลสสายโทสะมันแรงเนี่ยนะต้องเสียใจเพราะ ที่ไปทํากายกรรมเมจีกรรมที่ประกอบด้วยโทระเสียก็มานั่งเสียใจยบางคนนี่ก็มากไปด้วยโลภะอย่างเงี้ยมากไปด้วยโลภะกรมมรรตกันเยอะสังขารที่เศษเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเข้าเข้าคอก อ, ออกปริวาสอะ่ะเป็นทีงก็ร้องให้ทีองอ้ยอีกแล้วเราเนี่ยกว่าจะออกปริวาสเสร็จมันกี่เดือนแล้วเนี่ยใช่ไหมพออีกพักหนึ่งอ้าเป็นอีกแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้แต่ก็ได้ดีเหมือนกัน แต่ตอนหลังก็ได้ดีเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตาพวกนี้ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่ว่าผลแห่งการปฏิบัติให้ผลเป็นความสุขธรรมสมาทานบางอย่างขณะที่ปฏิบัตินี้เป็นทุกข์แต่ให้ผลเป็นความสุขก็คือพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้ำตากัดฟันสู้กว่านั้นได้อุทาหรณนะ์นั้นก็เลยกล่าวว่าเออผู้ที่มากด้วยความเพียรก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหยศรัทธาไม่มากอะ่ะแต่ไม่เลิอกอะ่ะสู้อย่างเดียวอาศัยว่าชาตินักสู้นะชาตินักสู้เขาว่า แต่ที่นี้ถ้าหากว่าวันเวลาไม่ครบสมบูรณ์น่ะไม่ไม่เข้าเงื่อนไขเลยนะสี่อสงไขไม่ใช่สิบหกไม่ใช่หรือว่าแปดไม่ใช่เ่ะจะว่าไงก็ก็เลยบอกว่าข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรเนี่ยทุกๆวันก็ดีสั่งสมบารมีสั่งสมบารมีธรรมเนี่ยนะมีศีลเป็นต้นอันสมควรแก่ยานนั้นก็ดียังไม่ถึงสี่อสงไขแสนกับจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เป็นไปไม่ได้เลยถ้าใช้เวลาน้อยกอว่านี้โอฉันเป็นพระพุทธเจ้าแต่ฉั้นใช้เวลาสักาสามอสศงไขอย่างเงี้ยไม่ได้นะสามอสงไขก็ไม่ได้หรือสี่อาศงไขถ้าไม่ไม่ถึงอีกเศษไม่ได้เศษอีกแสนกลับก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาให้มันครบนั่นเนี้ยเอาเวลามาตั้งเป็นเงื่อนไขก่อนนะก็บอกว่าถ้าไม่ใช้เวลาเท่านี้ไม่จบเหมือนกันต้องใช้เวลาเท่านี้อาท่านก็ถามว่าเพราะเหตุไรทําไมจึงจะต้องขนาดนั้นอ่ะ ท่านบอกว่าเพราะยานยังไม่ตั้งทองยังไม่ถึงความไพ่บูญยังไม่ถึงความแก่รอบคือโค ท, ที่ยานเนี่ยนะมันยังบ่มไม่ได้ที่อ่ะยังไม่สุกได้ที่วา ง, งั้นเปรียบเหมือนข้อที่ข้าวกล้าจะออกรวงได้โดยล่วงไปสามเดือนสี่เดือนหรือห้าเดือนเมื่อไม่ถึงการนั้ น, น, นแล้วบุคคล จะปรารถนาวันละแสนครั้งทุกๆวันก็ดีรดน้ําวันละแสนครั้งทุกๆวันก็ดีจะให้ออกรวงได้โดยภายในหนึ่งปักคือสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถามว่าเพราะเฮไรเพราะข้าวกล้ายังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความไภบุญยังไม่ถึงความแก่รอบฉันใดข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับด้วยทานของพระเวสสันดรทุกๆวันก็ดีสั่งสมธรรมะ นะสั่งสมบา ร, รมีธรรมเนี่ยมีศีเป็นต้นอันสมควรแก่ยานนั้นก็ดียังไม่ถึงสี่อสงไขยแสนกลับแลว้วจากเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าไม่ครบนี้ไม่ต้องหวังแล้วว่าจะได้บรรลุว่าจะได้จบวิชานี้ยังก่อนเพราะไรเพราะยานยังไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความภัยบุญยังไม่ถึงความแก่รอบฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทําการบําเพ็ญบา ร, รมีตลอดการตามที่กล่าวนั่นเทียว เพื่อประโยชน์แก่ความแก่รอบแห่งยาณอันนี้เวลามาตั้งก่อนนะข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งนะแต่เอาเวลามาตั้งก่อนนะท่านก็เลยกล่าวว่าก็บุคคลเนี่ยนะเมื่อปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าโดยการแม้ประมาณเท่านี้นะสรุปเราใช้เวลาเท่านี้มางั้นเถอะก็พึงปราถนาสมบัติแปดประการในการสร้างอภินิหารอภินิหารเนี่ยจะต้องได้ อ, องประชุมก่อนเงื่อนไขที่เขาจะรับเป็นพระโพธิสัตว์ก่อน คือพระโพธิสัตว์นั้นท่านแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งนิยตะโพธิสัตว์กับอนิยตะโพธิสัตว์นะอนิยตะโพธิสัตว์นั้นก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งยังไม่แน่นอนที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้แน่นอนที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนนะนะก็คือพระโพธิสัตว์ที่ยังตั้งความปรารถนาในใจยอย่างเดียวพระโพธิสัตว์ที่เปล่งวาจายอย่างเดียวยังไม่ได้รับพุทธภยากรคืออภินิหารแปดประการยังไม่สําเร็จอันนี้เขาเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์เช่นตั้งความปรารถนาว่าเออเมื่อข้าพเจ้าบรรลุแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยคิดอยู่ในใจยอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่คิดอย่างนี้นะท่านบอกว่าคิดเฉยๆเนี่ยเจ็ดอสงไขย คิดอย่างเดียวเนี่ยนะ เ, ออเราทําบุญอะไรก็ช่างเถอะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าคิดอย่างเดียวเจ็ดอสงไข่พอครบเจ็ดอสงไข่ปับ๊บทาบุญแล้วเริ่มเอ่ยปากล ะ, เ อ, กละเอ่ยปากอยู่อย่างนี้อีกเก้าอสงไข่เท่ากับสิบหกอสงไข่ใช่ไหมพอได้สิบหกแล้วพอได้สิบหกเนี่ยนะสมบัติแปดประการเนี่ยจึงจะสําเร็จ เ, เมื่อกี้เนี่ยตามที่กล่าวตามคัมภีร์ชินนการมาลินีประกรณผู้ที่จะได้รายละเอียดก็ดูในชินนการชินะ การชินการมารินีประกรณ์